ผมพูดเลยว่าทางช้างเผือกเนี่ยถ้าจะมองเห็นด้วยตาเปล่านะครับไม่ใช่ของที่เห็นแบบง่ายนะขนาดผมไปในป่านะครับป่าในอุทยานแห่งชาตินีแล้วมองเนี่ยก็ยังไม่ชัดมันเป็นแถบที่บางเหมือนเมฆในยุคโบราณคนก็งงว่าไอ้แถบนี้มันคืออะไรแต่เขารู้ว่ามันไม่ใช่เมฆเพราะถ้าเป็นเมฆมันต้องปลิวหรือว่าเปลี่ยนไปตามสภาพภูมิอากาศแต่เนี่ยปรากฏชัดเจนไม่ต่างจากพวกดาวแต่มันไม่เหมือนดาวเลยมันคืออะไรกันแน่เนาะ อันนี้เป็นสิ่งที่ทําให้มนุษ ย, นย์ช่างนสนใสเกี่ยวกับธรรมชาติของทางทางเพือ่อง You're listening to The Standard Podcast The Eye-Opening Experience for your Ears ไ ด, ได้ในโลกหลวนฟิศิกพอดคสต์วิทยาศาสตร์เนิดๆที่จะพาไปเปิดโลกฟิสิกจากสิ่งรอบตัว กลุ่มของคนที่ชอบเที่ยวแนวธรรมชาตินะคะก็อาจจะเคยได้ยินนักล่าทางช้างเผือกนะคะก่อนที่จะไปถ่ายภาพเนี่ยต้องดูฤดูกาลดีๆ ด, ด้วยจะได้ไม่ชวดความสวยงามนี้ไปนะคะทําไมทางช้างเผือกถึงเป็นสิ่งที่แบบว่าโอ้โหคนเราหลงไหลเนาะความสวยงามของมันเนี่ยเชื่อว่าถ้าใครได้เห็นภาพก็คงจะเข้าใจได้ด้วยตัวคุณเองนะคะแต่วันนี้ค่ะในในโลกโลนฟิสิกส์ชวนมารู้จักกับ ทางช้างเผือกนะคะหรือว่าจะเรียกว่าเป็นหมู่บ้านของดาวฤกษ์แห่งนี้ด้วยกันนะคะก็เช่นเคยนะคะอยู่กับฟางรัชเทโรจิตพนาค่ะและผมปองแปงอาจว่ารงจันทมาศครับถ้าถ้าเราพูดถึงทางช้างเผือกเราก็จะติดคําข้างหน้ามันมาว่าเป็นกาแล็กซี่ทางช้างเผือกใ ช, ใช่ไหมคะพี่ปองแปงจริงๆแล้วถ้าเราย้อนก่อนก่อนจะไปถึงทางช้างเผือกเนี่ยตัวกาแล็กซี่เนี่ยมันมันคืออะไรออกาแล็กซี่ใช่ไหมกาแล็กซี่คืออะไรก่อนกาแล็กซีเนี่ย คำไทยอาจจะใช้คําว่าดาราจักรเคยได้ยินไหมครับในทางดาราศาสตร์ก็จะมีคำไทยๆเพราเพราะเยอะอย่างกาแล็กซี่เขาเรียกดาราจักรซึ่งดาราจักรหรือกาแล็กซี่เนี่ยมันมีอยู่หลายชนิดด้วยกันนะครับวันนี้เราไปดูกันก่อนเป็นภาพรวมแล้วกันว่ากาแล็กซีเนี่ยมีกี่ชนิดแต่ถ้าถามว่ามันคืออะไรนะมันคือหมู่บ้านของดาวฤกษ์คือหมายว่ามีดาวฤกษ์เกาะกลุ่มกันอยู่มากพอสมควรเลยจนกล่าวได้ว่ามันเหมือนแบบเออเป็นหมู่บ้านอะ อในห่วงอวกาศเนี่ยมันเต็มไปด้วยที่ว่างเต็มไปหมดแล้วถ้าเราวิ่งไปท่ามกลางความว่างนั้นนะแล้วก็จะไปเจอกาแล็กซีหนึ่งซึ่งแบบโอ้โหมีดาวฤกษ์อยู่มหาศาลเลยออกไปจากกาแล็กซี่หนึ่ ง, ง, แบบ و, าาางไปเจออี ก, กาแล็กซีหนึ่งอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเอกภพของเราผมก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะตัวกาแล็กซีเนี่ยเพราะว่ามันเป็นโครงสร้างที่อย่างน้อยที่สุดคือระบบสุริยะของเราก็อยู่ในกาแล็กซี่ทางช้างเผือก ทางช้างเผือกเราอยู่ในเอกภพค่ะฟังเคยเห็นภาพถ่ายเหมือนของกล้องของคุณเจมส์เว็บปะที่มันจะเห็นแบบเหมือนกาแล็กซี่เต็มไปหมดเลย ม, มีหลายแบบใช่ไหมคะจริงใช่มีหลายแบบเราไปดูกันว่ามีกี่แบ บ, บได้ค่ ะ, ะ, ะเราดูรูปไปพร้อมๆกันนะครับตอนนี้ก็จะมีรูปเยอะหน่อยนะเพราะกาแล็กซี่เนี่ยแหมหน้าตามันสวยงามอะ่ะผมอยากให้ทุกท่านได้เห็นรูปเหล่านี้นะครับกาแล็กซีเนี่ยถ้าเราแบ่งตามรูปร่างหน้าตามันนะครับอย่างแรกเขาเรียกว่า กาแล็กซี่ทรงรีนะฮะเป็นแบบเอ liptical นะถ้าดูในรูปเนี่ยมันก็คือจุดสว่างกลางๆเหมือนนะก็คือดาวฤกษ์เนี่ยมันมาเกาะกันเป็นมันเป็นทรงรีๆกลมๆนะฮะหรืออย่างตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นกาแล็กซี่ทรงรีที่สวยงามนะเห็นไหมครับที่มันสว่างๆก็คือดาวต่างๆอะอยู่ตรงนี้หมดใช่ดาวฤกษ์ไปอยู่ตรงนั้นหมดอ่ะแล้วถ้าดูรูปนี้เห็นที่มันเป็นเส้นๆออกมาไหมสีฟ้าๆอันนี้นะคะใช่ครับ คืออะไรคะพี่เป็นแก๊สที่กาแล็กซีเนี้ยพ่นออกมาโ oh. อ้เรียกว่าเจ็ mm. แบบที่สองฮะนี่แบบนี้ครับ mm. แบบสไปรัลจะเห็นได้ว่าสไปรัลหรือกาแล็กซีแบบกังหันนี่มันก็มีความแปรผันนะฮะมีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกัน mm. ถ้าแขนของมันเกลียวเข้ามาอย่างเดียวมันก็เรียกเป็นสไปรัลเฉยๆ mm. แต่ถ้าว่ามันมีแขนตรงกลางอย่างเนี้ยก็จะเรียกว่ากังหันแบบ มีแกนนะครับบาร์เรตสไปร์ลอีกชนิดหนึ่งก็ออกจะดูหน้าตาแปลกๆก็คือถ้ามันไม่เข้ากับ2แบบแรกแล้วหน้าตามันดูแบบเร้ อ, เอๆเทอะเทอหน่อยดูเยสเปะสปะเหมือนเราแบบพ่นสีลงไปใช่เขาเรียกว่าเออร์เรกูล่าหรือจะใช้คําว่ากาแล็กซีแบบไร้รูปร่างก็ได้คือมันไม่เข้าพวกนะครับมันก็จะดูแปลกๆหน่อยเออเรกูล่านะ e เนี่ยก็จะมีอย่างเงี้ยคือจะกลมเป็ น, เ ป, นเป็นรีปปะก็ไม่รีจะเป็นเป็นแบบเป็นสไปร์ลไหมก็ไม่ใช่ ก็เป็นเอริกูล่าไปนะฮะแล้วก็อีกแบบหนึ่งชื่อของมันคือไมสกาแล็กซี่กาแล็กซี่รูปรูปหนูนะครับซึ่งมันเป็นกาแล็กซี่ที่หน้าตาประหลาดมากแต่จริงๆมันคือกาแล็กซี่สองกาแล็กซี่ที่มันชนกันมันชนกันมันชนกันเหรอคะใช่ห่างกันขนาดนี้ยังมาชนกันแปลว่าก่อนหน้านี้มันต่างคนก็ต่างเป็นกาแล็กซี่ของตัวเองอยู่นี่แหละใช่หรือถ้าดูรูปนี้นะครับเขาเรียกว่า กาแล็กซี่หนวดมแมลงดูแล้วมันหนวดตรงไหนใช่ไหมแล้วก็ดูหน้าตาแปลกแปลกนะครับแต่ถ้าถอยออกมาดูจะเห็นว่าเป็นแบบนี้<อ>คือถ้าเราดูรูปแรกที่ที่ซูมเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นเป็นกาแล็กซี่ที่หน้าตาแปลกแปลพลึกๆลึกแต่จะเห็นได้ว่ามันเหมือนมีสองอันชนกันอยู่จริงๆแต่พอซูมเอาออกมาเนี่ยจะเห็นว่าน้องฟังเห็นว่ามีเส้นใช่ไหมไอ้เส้นเนี่ยก็หนวดมแมลงแต่ถามว่ามันคืออะไรมันคือมวลสารที่เป็นร่องรอยจากการชนนะอ S <S <S การชนมันหลงเหลือร่องรอยบางอย่างเอาไว้นะครับแลไอมวลสารที่เป็นเป็นเส้นเป็นหมวดมแมลงเนี่ยก็คออือร่องรอยที่เกิดจากการชนเหล่านั้นเป็นต้นนะครับดังนั้นถามว่ากาแล็กซี่เนี่ยมีแบบไหนบ้างก็มีแบบทรงรีนี่แบบ spiral s p i ร a ล s p i ร a l แบบมีแกนนะแล้วก็เอรักูล่าแอาจจะบอก่าได้ว่าอีกแบบหนึ่งก็เป็นแบบมีชนชนกันอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าจริงๆแล้วกาแล็กซี่ทางช้างเผือกเนี่ยเป็น เป็นสไปรัลแบบหนึ่งแหละแต่ว่าเป็นสไปรัลแบบมีแกนตรงกลางแบบสับเซตลงไปอีกทางก็คือมีแกนอยู่อยู่ตรงกลางนะครับค่ ะ, ะงั้นถ้าเรากลับมาที่กาแล็กซีทางช้างเผือกที่เรา อ, อยู่เนี่ยเรารู้จักเขาถ้าเราอยากสนิทกับเขามากขึ้นไปอีกเราควรรู้อะไรเกี่ยวกับเขาบ้างคะ่ะก่อนอื่นนะครับจินตนาการอย่างนี้ลองนึกถึงจานแบนๆนะแล้วก็ดาวเนี่ยเรียงเป็นเกลียวคล้ายๆกับพายุเข้าห า, หาตรงกลางแล้วก็มีแกนพาดผ่าน อันนี้แหละคือกาแล็กซีทางช้างเผือกของเรานะครับเป็นเป็นเป็นจานแบนด์เลยแล้วกันจานแบนด์เนี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางนะฮะอยู่ที่ประมาณแสนปีแสงใหญ่มากมันไม่ได้ใหญ่เมื่อเทียบกับเราอย่างเดียวนะเมื่อเทียบกับกาแล็กซีเพื่อนเพื่อนเขาะเขาก็ถือว่าตัวใหญ่มากนะกาแล็กซีทางช้างเผือกยศอยู่ในกาแล็กซีที่แบบโอเคเลยไม่เป็นรองใครอะใหญ่เรื่องแล้วดวงอาทิตย์อยู่ตรงไหนอถ้าดูในรูปนะครับจะเห็นว่าดวงอาทิตย์เนี่ย อยู่เยื้องมาจากตรงกลางมาสักหน่อยนะฮะผมผมให้จําง่ายๆอย่างนี้ก็แล้วกันคือถ้าจานมันเส้นผ่านศูนย์กลางแสนปีแสนใช่ไหมตรงกลางก็ต้องเท่าไหร่ครึ่งหนึ่งห้าหมื่นแล้วดวงอาทิตย์ก็อยู่กลางของกลางทีอยู่ที่ประมาณสองหมื่นสองหมื่้าสองมหกพันปีแสงจากตรงกลางอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นดวงอาทิตย์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงกลางนะเรียกได้ว่าเป็นชาญเมืองก็แล้วกัน อยู่แถบรอบนอกอยู่แถบรอบนอกซึ่งการที่ตำแหน่งของดวงอาทิตย์อยู่ตรงนี้แปลว่าโลกเราก็อยู่ในแวงนี้ด้วยอยู่ตรงดวงอาทิตย์เลยคือถ้าถ้าดวงอาทิตย์อยู่ตรงไหนเนี่ยในสเกลของทางช้างเผือกโลกติดดวงอาทิตย์เลยเพราะว่าทางช้างเผือกมันใหญ่มากนะครับค่ะแล้วนอกจากเราเห็นว่าเราอยู่ตรงไหนดวงอาทิตย์อยู่ตรงไหนแล้วในเนี้ยมันมีประกอบไปด้วยอะไรอีกบ้างค่ะโอเคมีสสารมืดก่อนเลยซึ่งมันคืออะไรไปดูตอนสสารมืดแล้วก็ถ้าดูดาวฤกษ์ที่เห็นด้วยตาเปล่านะครับ ก็อยู่ที่ประมาณอยู่ในหลักนะฮะประมาณ100าแสนล้านดวงแสนล้านดวงใช่ดาวฤกษ์ในกาแล็กซีทางช้างเผือกเยอะมากแล้วมีดวงอาทิตย์เป็นหนึ่งในนั้นมันถึงชวนจินตนาการเนี่ว่าดาวฤกษ์มันเยอะขนาดนี้มันมีแหล่งพลังงานเยอะขนาดนี้มีโอกาสแค่ไหนที่เราจะมีเพื่อนร่วมเอกภพของเราอันนี้เป็นธรรมชาติของทางช้างเผือกเลยค่ะครับ และถ้าเรามองด้านข้างล่ ะ, ะทีนี้เรามองตรงๆมาเป็นแบบนี้แล้วถ้าเรามองด้านข้างเราจะเห็นว่าตรงกลางเนี่ยมันป่องๆนิดนึงเป็นบอลนะครับเนี่ยเป็นเป็นป่องๆขึ้นมานิดนึงแล้วรูปพี่ๆป่องแปงออกมาเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นแบบจำลองแหมหรือว่ายัางไงทำไมเราถึงรู้ว่ามันเป็นแบบนี้ทั้งๆที่เราก็ไม่ได้เคยออกไปศึกษามันใช่ไหมคะใช่ครับยานอวกาศไกลที่สุดที่มนุษย์ส่งออกจากโลกของเราเนี่ย พึ่งหลุดไปจากระบบสุริยะอะไรพวกนี้เองอยังไม่ได้แบบห่างออกไปนอกทางช้างเผือกแล้วถ่ายรูปมาให้เราดูนะดังนั้นภาพทางช้างเผือกที่เขาเห็นเป็นกังหันมีแกนพวกนี้ยเป็นภาพจําลองทั้งสิน้นนะครับแล้วเราศึกษามันจากอะไรคะถึงคาดการได้ว่าเออรูปทรงมันน่าจะเป็นประมาณนี้หรืออะไรอย่างนี้ก่อนอื่นนะ ม, มันต้องย้อนกลับไปในยุคโบราณก่อนเลยลองนึกภาพคําว่าโบราณของผมคือยุค ก่อน อ, รอารยธรรมโอหไกลมากไกลมาก ม, มนุษย์ยังไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยมีแต่ดวงตาเนี่ยอตอนกลางคืนพอมองดาวบนท้องฟ้าแล้วเห็นทางช้างเผือกน้องฟางเคยเห็นกับตาไหมจริงจริงคิดว่ายังอะ่ะเพราะว่าตอนไปเที่ยวก็ไม่ได้แบบจำน่าจะยังนะคะทำไมไม่บอกว่ายังทาไมน่าจะแปล ว, ว่าเหมือนมันเหมือนมันมีเขาลางความ<แ>บบมากกว่าดาวปกติ <c oughs> อีกนึงมผมพูดเลยว่าทางช้างเผือกเนี่ย ถ้าจะมองเห็นด้วยตาเปล่านะครับไม่ใช่ของที่เห็นแบบง่ายนะใน ย, ในยุคนี้นะขนาดผมไปในป่านะครับป่าในอุทยานแห่งชาติแล้วมองเนี่ยก็ยังไม่ชัดพอเห็นด้วยตาปุ๊บเนี่ยไม่ชัวเหมือนน้องฟงังก็ใช่หรือเปล่าจนคนเขาบอกอ๋อนี่แหละใช่เลยมันหน้าตาเหมือนเมฆมากมันเป็นแถบที่บางเหมือนเมฆในยุคโบราณคนก็งงว่าไอแถบนี้มันคืออะไรแต่เขารู้ว่ามันไม่ใช่เมฆเพราะถ้าเป็นเมฆ มันต้องปลิวหรือว่าเปลี่ยนไปตามสภาพภูมิอากาศแต่เนี่ยปรากฏอย่างชัดเจนไม่ต่างจากพวกดาวไม่ต่างจากอะไรแต่มันไม่เหมือนดาวเลยมันคืออะไรกันแน่นะอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เนี่ยชะงนสนสเกี่ยวกับธรรมชาติของทางช้างเผือก okay. และคนที่มาไขาปริศนาคนแรกๆเลยก็คือคุณกาลิเลโอเ<อ>จ้าเก่าอีกแล้วอีกแล้วครับะอะไรก็กาลิเลโอกาลิเลโอเนี่ยเอากล้องโทรทัศน์ส่องไปที่ทางช้างเผือกแล้วเห็นว่า โอ้โหทางช้างเผือกเนี่ยที่เห็นเป็นคล้ายๆเมฆอ่ะไม่ใช่เมฆไม่ใช่อะไรเลยเป็นเป็นดาวฤกษ์เล็กๆ เ, กเกต็มไปหมดโอเพียงแต่ตาเปล่าเราอ่ะมองไม่เห็นเท่านั้นเองอ่าเราคิดว่าเราแยกภาพได้ไม่ดีเราก็นึกว่าเป็นหมอกๆฟ้าๆเบลนเบลนเบลเบลกัลลิเลโ อ, อกล้องไปโอ้โหดาวฤกษ์มหาศาลเลยคนที่ค้นพบตัวจริงของทางช้างเผือกคนแรกเลยน ะ, ะว่ามันประกอบไปด้วยดาวฤกษ์มหาศารคือกาลิเลโอใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ในยุคตั้งแต่โบราณถึงกาลิเลโอเนี่ยคนก็พอจะเดาได้เลยนะว่าทางช้างเผือกเนี่ยถ้ามันจะมีหน้าตามันคุณจะหน้าตาเป็นยังไงคือเวลามองบนท้องฟ้าเนี่ยครับมันจะเป็นแถบเออมันเหมือนเป็นแค่แถบแถบมันะจะเป็นแถบแล้วมันจะมีบางจุดที่ชัดกว่าชาวบ้านบางจุดจะบางกว่าชาวบ้านแต่ท้องฟ้าล้วนมีแถบเนี้ยคลุมเราอยู่ถามว่าทําไมมันคลุมเราก็ดวงอาทิตย์เราอยู่ตรงอ ย, อยู่อยู่บนแผ่นทางช้างเผือกมองไปทางไหนเราก็สายตาก็ต้องชนกับทางช้างเผือกมันก็พอจะเดาได้ว่า ทางช้างเผือกน่าจะมีรูปลักษณะเป็นแผ่นแบนๆรูปร่างคร่าวๆเนี่ยรู้กันมาตั้งแต่โบราณระดับหนึ่งนะครับแต่คนที่มาศึกษาจนกระทั่งแบบชัดเจนมากแล้วผมชื่นชอบคนที่มากนะเป็นนักฟิสิกส์ที่ผมชอบมากชื่อคุณวิลเลียมเฮอร์เชลวิลเลียมเฮอร์เชลเนี่ยมีชื่อเสียงมากค้นพบโน่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายแล้วเขาก็อยากศึกษาทางช้างเผือกมากก็เลยเอากล้องโทรทัศน์ที่เขาประดิษฐ์แล้วดีมากเนี่ย ส่งไปที่ทางช้างเผือกแล้วนับดาวนับบ่นั่งนับบ่นั่งนับเลยหรือยืนด้วยไม่รู้นอนด้วยไม่รู้เอาเป็นว่าเขานับมาฮะแล้วพอนับปุ๊บเนี่ยเขาก็มานั่งดูว่าตรงไหนที่มันมีดาวเยอะเนี่ยเขาก็เดาฮะในยุคนั้นก็เดาว่ามันก็คงจะเรียงต่อกันไปทางนั้นเยอะอะไรเงี้ยก็ได้หน้าตาของทางช้างเผือกมาเป็นแบบนี้ครับคือที่มันยืดยืดเหมือนกันนะอ่ถ้าดูรูปนะครับท่านที่ฟังพอดแคสต์อาจจะไม่เห็นอ่าไม่เป็นไร น้องนึกถึงอะมีบาอะมีบาเป็นสิ่งมีชีวิตโปรโตซัวเซลเดียวที่แบบมันคลุบคลานคลุบคลานนะนี่แหละเขาก็ออกมาประมาณนี้นี่มาจากการนั่งนับของเขาแล้วก็พลอตออกมาดูดิมนุษย์เราเอาเรื่องไหมน่ารู้จักไหมคนนี้นั่งนับอ่ะแล้วดวงอาทิตย์เนี่ยก็อยู่แถวๆกลางๆอะไรแบบนี้นะครับประมาณนี้ น, น, นั่นคือในยุคหนึ่งอะเราเข้าใจว่าพอเริ่มจะเห็นว่ารูปร่างมันเป็นประมาณนี้คือคาดการเท่าที่เท่าที่จะพอมีแต่แน่นอนมันแบนแต่จะแบนเป็นรูปอะไรยังไงเนี่ยในยุคก่อนเราเราไม่ชัดเจนเนาะจนกระทั่งเทคโนโลยีของเราเนี่ยดีขึ้นมากๆนะฮะ อ, อันนี้ผมตัดข้ามาไกลเลยน ะ, ะตัดจากยุควิลเลียมเฮอร์เชลมานะครับไกลเลยนะฮะนานเลยก็จะมีการค้นพบสิ่งที่เรียกว่าคลื่นวิทยนะุคลื่นวิทยุ คืออะไรคลื่นวิทยุก็คือคลื่นที่เราใช้ในการฟังวิทยุดูโทรทัศน์คลื่นที่ส่งระหว่างโทรศัพท์มือถืออะไรพวกนี้คลื่นวิทยุหมดเลยแต่คลื่นวิทยุยังเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาดาราศาสตร์ด้วยยังไงคะมันมาเกี่ยวกับทำให้เรารู้จักทางช้างเผือกไหมโอ้โหสําคัญมากเพราะว่านักดาราศาสตร์ฟิสิกส์เนี่ยนะฮะเขาไปรู้มาว่าแก๊สไฮโดรเจนนะฮะด้วยสถานการณ์บางอย่างมันจะปลดปล่อยคลื่นวิทยุจำเพาะค่านึงออกมา ซึ่ง mm hmm. ถ้าเจอคลื่นตัวนี้เราพอจะรู้ได้เลยว่ามันมาจากไฮโดรเจน mm hmm. อะไรพวกนี้ซึ่งอพอทำแผนที่ไฮโดรเจนปุ๊บเนี่ยประกอบกับแผนที่ของดาวเรือเกิดใหม่เนี่ยนะครับมันเป็นภาพแขนเกลียว mm hmm. ของทางช้างเผือกของเราเลย mm hmm. นะฮะเป็น แ, นแขนออกมาแบบสไปรัลอ mm ่ะ hmm. ดังนั้นมันน่าทึ่งตรงที่ว่ามนุษย์เราไม่เคยออกไปจากทางช้างเผือกเราอยู่ในบ้านที่เราไม่เคยออกไปนะครับ แต่เราใช้การศึกษาคลื่นวิทยุแล้วก็ศึกษาดาวฤกษ์เกิดใหม่มแล้วจํานวนของสิ่งเหล่านี้นมันบ่งชี้ให้เห็นเลยว่าดาวฤกษ์มันหนาแน่นแก๊สไฮโดรเจนพวกนี้มันหนาแน่นตรงแขนเกลียวพวกเนี้นเป็นเกลียวเกลียวมาเลยคือไม่ได้แบบรูปไร้รูปร่างนะเป็นแขนเกลียวชัดๆเลยอนะครับแล้วที่น่าทึ่งไปกว่า น, นั้นเราศึกษาจนรู้ว่าใจกลางของทางช้างเผือกเนี่ยมีหลุมดําที่เรียกว่า supermassive black hole อยู่แต่ เวลาเราถ่ายกาแล็กซีหรือมองกาแล็กซีเนี่ยเรามองไม่เห็นหลุมดําด้วยตาเปล่าหรอกครับเพราะว่าหลุมดำเนี่ยเมื่อเทียบกับดาวฤกษ์มหาศาลแล้วหลุมดํามันเล็กสุดๆแต่เรารู้จากหลายๆอย่างนะจากเจ็ตหรือแก๊สที่มันพ่นออกมาบ้างอะไรบ้าง accretion disk หรือแก๊สที่มันวนอยู่รอบๆบ้างอะไรบ้างก็รู้ว่ามีหลุมดําอยู่นะครับซึ่งหลุมดําที่อยู่ใจกลางกาแล็กซีทางช้างเผือกเราเนี่ยเฮ้ยมีมวลอยู่ประมาณ4ี่ล้านเท่าของมวลดวงอาทิตย์เลยโอ้คือใหญ่ ม, มันมวลเยอะ ม, มีมวลมหาศาลเลยนะครับมีมวลเยอะมากมากอืมใช่ซึ่งเขาก็ถ่ายรูปออกมาได้นะเป็นแบบนี้เคยเห็นไหมอ๋อเราเคยคุยกันเรื่องหนุ่มดำแล้วเราก็เปิดรูปนี้กันอยู่นั่นแหละรูปนี้แหละครับก็อยู่ตรงกลางทางช้างเผือกของเรา ค่ะแล้วถ้าเราผ่านยุคที่โอเคเราศึกษาตั้งแต่ว่ามันรูปล่างพอจะเป็นยังไงเริ่มรู้ว่าเอ้ยมันมีไฮโดรเจนนะที่เราแบบช่วยตรวจจับบางๆได้แล้วมาถึงยุคนี้เขาศึกษาอะไรกันอยู่ทางช้างเผือกมันมามีบทบาทสำคัญทางดาราศาสตร์ยังไงบ้างคะ่ะมีบทบาทใน2งแง่ก็แล้วกันสำหรับ คนที่สนใจดาราศาสตร์หรือนักดาราศาสตร์มือสมัครเล่นมผมใช้คาว่ามือสมัครเล่นเพราะเขาไม่ได้ทำวิจัยแต่ไม่ได้หมายความ<ะ>ว่าเขาความรู้น้อยนะนักดาราศาสตร์สมัครเล่นหลายๆคนนี่เก่งมากๆถ่ายรูปถ่ายอะไรโอ้โหพูดถึงถ่ายรูปทางช้างเผือกก่อนได้ไหมค่ะคือสังเกตเห็นไหมครับรูปถ่ายทางช้างเผือกมันสวยแล้วมันชัดกว่าที่ตาเห็นมากทาไม เขาตั้งกล้องปลาเก็บแสงอ๋เก่งมากครับเรียนนิเทศมาเขาตั้งกล้องนะครับเปิดหน้ากล้องค้างประมาณสัก20วิ25้าวิอะไรเงี้ยให้รับแสงเยอะๆมันก็เลยเห็นชัดเนาะราะว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เวลาที่เรามองสมมติไปเที่ยวแบบบนดอยขึ้นดอยมาเงี้ยเราเห็นมันด้วยตาเราจะไม่เชื่อว่ามันใช่หรือเปล่าเพราะเราติดภาพที่เราเห็นจากภาพถ่ายว่าโอ้มันต้องแบบคมชัดสวยงามอะไรเงี้ยโอ้ยแล้วบางคนใช้วิธีสแตกรูปด้วย คือถ่ายปุ๊บนะเก็บไว้รูปหนึ่งถ่ายอีกรูปนึงแล้วเอามาซ้อนให้มันชัดขึ้นอีกแล้วก็เอาเข้าโปรแกรมแล้วดึงสีดึงอะไรแต่เขาไม่ดึงจนช้านะครับก็มีขีดจากัดอยู่แต่ก็นั่นแหละมันยิ่งเร่งเร้าให้มันดูสวยใช่พอไปดูด้วยตาอาจจะเฮ้ยอะไรวะอะไรเนี้ยแต่จริงๆคือเฮ้ยธรรมชาติจริงๆมันเป็นอย่างนั้นที่ผมบอกว่ามันมีบทบาทเพราะว่าการศึกษาทางช้างเผือกจนเข้าใจมันเป็นอย่างดีมันทําให้นักดาราศาสตร์หรือนักถ่ายภาพแบบเนี้ย เขามีอะไรให้ถ่ายถ้าถามว่ามันสาคัญยังไงมันกระตุ้นการท่องเที่ยวมันกระตุ้นการศึกษาได้ดีมากมหลายๆคนเห็นภาพแบบนี้แล้วแบบอยากเรียนดารศาสตร์ก็มีเหมือนกันนะครับในอีกแง่หนึง่งธรรมชาติของทางช้างเผือกเนี่ยก็เป็นเป็นหมู่บ้านที่ใกล้เราที่สุดคือเป็นหมู่บ้านที่เราอาศัยอยู่เนาะการศึกษาทางช้างเผือกเนี่ยก็มีหลายอย่างให้เราศึกษาไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติของดาวฤกษ์ที่อยู่ในนั้นมัน มีชนิดไหนแบบไหนอย่างไรมีธรรมชาติอย่างไรมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงก็มีทฤษฎีมีแบบจําลองต่างๆนะครับมันเคยชนกับใครมาก่อนหรือเปล่าอะไรแบบนี้รวมทั้งอย่างรูปนี้ที่เป็นพื้นหลังเรานะี<ะ>่ยจริงๆรูปนี้เป็นงานวิจัยไม่กี่ปีมาก่อนนี้นะครับซึ่งเขาศึกษาทางช้างเผือกจนได้รู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วทางช้างเผือกเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นแผ่นแบนขนาดนั้นแต่มันมันโค้งเป็นเอส่ะคือคือด้านหนึ่งมันงอนขึ้นมาแบบนี้แล้วอีกด้านมันปักลงมาแบบเป็นรูป เขาเรียกรูปอะไรแบบนี้กาอี้ได้ไหมหรืออะไรมันไม่ได้เป็นแผ่นแบนด์ราบนะเนี่ยงานวิจัยเกี่ยวกับทางช้างเผือกก็ยังมีอยู่เสมอเรื่อยๆเลยค่ะค่ะเมื่อกี้เราคุยกันก่อนที่เราจะอ่านอะเราแบบคุยกันเกร็ดเล็กเ็ดน้อยนะจริงๆแล้วถ้ามององนี้นักดาราศาสตร์น่าจะชื่นชอบทางช้างเผือกไหมหรือว่าจริงๆแล้วที่องแป๋งบอเขาไม่ชอบใช่ปะคือมันมันอย่างนี้ ผมว่าวัตถุในเอกภพเนี่ยมันมีความสวยงามหลากหลายก็ทางช้างเผือกก็เป็นสิ่งที่สวยงามเนาะก็ในชอบในความสวยงามก็อย่างหนึ่งมีสเสน่ห์ในเชิงการน่าค้นหาศึกษาก็อย่างหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วทางช้างเผือกเนี่ยมัน ม, มนนีมันเป็นอุปสรรคบางอย่างในการศึกษาดาราศาสตร์มากอยังไงคะน้อนสร้างปัญหาอย่างมากเลยทางช้างเผือก น, น้อนตัวใหญ่แล้วน้องยังไงคนะน้อนเนี่ยไปบังท้องฟ้าหรือเอกภพส่วนที่แบบดูด้านหลังออกไปคือดวงที่เราอยู่ตรงนี้ ถ้ามองเข้าไปในทางช้างเผือกเนี่ยจริงๆทางช้างเผือกเวลาจะเห็นให้ชัดเนี่ยนะครับเราจะต้องมองไปที่กลุ่มดาวแมงป่องหรือกลุ่มดาวสติท t ริอ u สมันจะอยู่แถวๆนั้นนั่นคือใจกลางเลยนะแต่พอม อ, มองไปเนี่ยแล้วถ่ายรูปมาทางช้างเผือกเนี่ยดูดีๆจะเห็นมืดๆอะไรไม่รู้ตรงกลางเป็นแถบยาวเลยเห็นหมันยเนี่ยเป็นแถบพวกนี้แถบพวกนี้บางทีเป็นฝุ่นอ๋อมันก็เลยบดบังสิ่งต่างๆฝุ่นเนี่ยดบดบัง การศึกษาตัวทางช้างเผือกเอง oh. แต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหามากเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนคลื่นคือแทนที่เราจะถ่ายรูปด้วยแสงเราอาจจะถ่ายด้วยคลื่นที่ความยาวคลื่นสูงกว่า น, นั้นเป็นวิทยุเป็นอะไรไปมันก็พอมองเห็นของที่อยู่ในทางช้างเผือกแต่ถ้าอยากทะลุ ด, ด้านหลังทางช้างเผือกออกไปเนี่ยอันนี้ท้าทายตัวทางช้างเผือกเองก็เลยถูกเครียกอีกอย่างว่าเป็นโซนออฟอเวอร์แดนซ์คือเป็นอะไรที่ไปบทบงังทัศนวิสัยในการศึกษาดาราศาสตร์ <laughs> เป็นแบบนั้นไปซะโอเค แต่ก็อาจจะมองอีกง่ายก็ไม่เป็นไรน้องไปบางชาวบ้านเราก็ศึกษาน้อนแล้วกันครับแล้วถ้ามองถึงตัวทางช้างเผือกเองเนี่ยมันมีปรากฏการณ์อะไรเหมือนตอนต้นพี่บ่งแปงพูดถึงว่ามันชนกันแล้วมันก็เกิดมาเป็นรูปตัวไม้ตัวหนูนหนอะไรเงี้ยหนูบ้า ง, งจริงจแล้วมันมีปรากฏการณ์อะไรอีกอะคะพี่ที่เกิดขึ้นกับตัวกาแล็กซีโออย่างทางช้างเผือกเนี่ยนะครับถ้ารอไปอีกสักระยะหนึ่งเนี่ยทางช้างเผือกเราจะชนเข้ากับกาแล็กซีหนึ่งอย่างจังนั่นก็คือกาแล็กซีแอนโดรเมดา หมายถึงที่ทางช้างเผือกที่เป็นที่อยู่ของโลกเนี่ยนะคะใช่ของดวงอาทิตย์ของโลกเราเนี่ย<อ>ในอนาคตมันจะชนเข้ากับกาแล็กซี่อันโดเมดาแต่ไม่ต้องกลัวอันโดเมดาเนี่ยอยู่ห่างจากเราไปประมาณ2ล้านปีแสง <ừ> กว่ า, วาด้วยนะครับ <ừ> กว่าจะชนเนี่ยก็อยู่ในหลักประมาณแบบส0่พล้านปีอะไรทำนองนั้น <ừ> ค่ะครับไม่ต้องกลัวแต่ทั้งนี้ก็ไม่ต้องกลัวเหมือนกันนักดาราศาสตร์เขาก็ศึกษาว่าถ้าชนแล้วจะเป็นยังไงเราดูรูปการจําลองฮะเราดูรูปบนายสุด อันนี้เราจะเห็นเป็นทางช้างเผือกเป็นแถบเป็นโหแล้วจุดเล็กๆเนี่ยคือกาแล็กซี่อันโดเมดาโอ้กำลังเคลื่อนเข้ามาเราไม่เห็นหรอกว่ามันเคลื่อนไม่เคลื่อนด้วยด้วยช่วงชีวิตเราเราเราจะเห็นมันเป็นอย่างนี้ไปช่วงนาตาปีนะครับแต่เขาจําลองว่าในอนาคตอันไกลโพ้นเนี่ยอนโดเมดาจะใหญ่ขึ้นแบบนี้แล้วในอนาคตอันไกลโพ้นเข้าไปอีกอันโดเมดาจะใหญ่เท่าเท่ากับทางช้างเผือกแบบนี้แล้วเมื่อมันชนกันขึ้นมาจริงๆเนี่ยแรงโน้มถ่วงจะทําให้ดาวเลิก บนท้องฟ้าปั่นป่วนจนมีหน้าตาเป็นแบบนี้<อ>กลายเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้แล้วในที่สุดแล้วมันจะเบลนจนท้องฟ้าหรือกาแล็กซี่มันเป็นแบบนี้อะไรแบบนั้นแต่มันก็ไม่ได้ทําลายล้างอะไรใช่ไหมคะก็ส่วนใหญ่แล้วมันดาวเรื่องนี่มีโอกาสชนกันแบบจังๆต่ํามากนะกาแล็กซี่ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยอะไรครับสารมืดซึ่งชนกันมันก็ไม่เกิดอะไรเนาะแล้วก็มีที่ว่างมีอะไรเยอะมากดังนั้นมันก็จะมีดาวเรื่ชนกันจังๆก็มีน้อยนะ ฟังดูมันน่ากลัวนะแบบรถชนมันน่าจะแบบโอ้โหมันไม่เหมือนอย่างนั้นแล้วก็กาแล็กซี่สุดท้ายมันจะรวมเป็นกาแล็กซี่เดียวชื่อว่ามิวโกเมดาตั้งชื่อไว้แล้วด้วยตั้งชื่อไปแล้วแม้ว่าจะยังไม่เกิดขึ้นเออเอาสองชื่อมารวมกันมิวกี้เวผสมกับแอนโดรเมดาเป็นมิวโกเมดาโอ้มันสีมแบบอเมซิ่งมากเลยมันหนังไซไฟเหมือนไหมเหมือนเลยเหมือนเหรอครับอืมค่ะแล้วหลังจากนั้นล่ะถ้าเกิดว่าเรามองว่าอันอนาคตมันอาจจะชนกับเพื่อนได้ ชนกันแล้วตัวกาแล็กซีทางช้างเผือกเองเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมคะหรือว่ามันก็จะยังคงอยู่แบบนี้ต่อไปมันจะหลอมรวมณหลังจากชนไปแล้วใช่ไหม ม, มันหลอมรวมกับแอนโดเมดาเป็นกาแล็กซีเดียวนี่ไงรวมไปเลยเบเลนจนกลายเป็นกาแล็กซี่มิวโกลเมดานะครับพอฟังพี่ป๋องแปงวันนี้ค่ะฟังแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนหลายๆตอนที่เราฟังเรื่องที่พี่ปองแปงอธิบายแล้วมันอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันยากหรือมันมีหลักคิดหรืออะไรเงี้ยแต่วันนี้ยพอมาฟังแล้วรู้สึกว่าความรู้มันทําให้ กาแล็กซีทางช้างเผือกอ่ะสวยขึ้นกว่าที่เราเคยมองจากภาพเชิงสรารคดีหรือเชิงท่องเที่ยวทั่วไปแต่วันเนี้ความรู้มันเหมือ น, ม, นมาแอดให้ภาพเหล่านั้นน่ะมั น, นมีความหมายแล้วมันก็สวยมากขึ้น น, น, นะคะใครที่ชอบนะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวหรือว่าอชอบเรื่องราวของฟิสิกส์ฟังว่าก็เป็น2อย่างที่พอมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะคะก็ฝากติดตามใดๆในโลกโล้วนฟิสิกส์ในตอนต่อๆไปของเรากันด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดตอนอื่นๆก็ฝากกด subscribe YouTube channel ของ The Standard Podcast แล้วก็ติดตามพวกเราได้ในทุกๆ podcast player เลยนะคะเจอกันใหม่ตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะครับ The Standard Podcast Eye Opening for your ears